بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على ا ش ر ف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسوان سورة يونس ที่เรากำลังอธบบายอยู่ก็ยังอยู่ในช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาและได้ยืนยันกับผู้สัธาถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่อัลลอจะปลอบใจท่านนาบีและผูท้ที่เดินทางตามแนวทางของบรรดานาบีและรอซูลแล้วต้องประสบ กำ <c oughs> บนดทดสอบโดยเฉพาะการปฏิเสธศถัทาและการโจมตีจากผู้ที่ไม่ยอมรับในศัลธรรมซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยสัญชตาตญาณของมนุษย์นะเวลาเรามีอะไรดีๆแล้วก็จะมอบให้คนอื่นเนี่ยถ้ากลับเจอท่าดีของคนอื่นเนี่ย แทนที่จะขอบคุณหรือปื้มปิติกับสิ่งดีๆที่เรามอบให้เขาเนี่ยเขากลับด่าทอต่อต้านกล่าวร้ายและทำสิ่งที <c oughs> ่เราไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คาดว่ามันจะเกิดจากคนที่เราได้ทำความดีกับเขา ท่านนบีเสียใจถึงขนาดที่ท่านนบีท่านนบีคิดคิดในใจว่าถ้าหากว่าถูกปฏิเสธแบบนี้ตัวท่านนบีจะเสียชีวิตจะไม่มีชีวิตดีกว่าแอรในคุรานที่อัลลอฮ์ได้บอกกับฟาลัลละกะว่าเข่นัฟซักะะลาอาธาริห์มอิลลามยุมินุบิฮะดะด อสฟและเจ้าจะถึงขนาดอยากตายอยากตายอยากหาชีวิตไมเนี่ยเพราะเขาไม่ดีศรัทธาในองการนี้อาสาฟด้วยเหตุผลว่าเจ้าเสียใจกระนันดอสาาเ้เสียใจ เสียใจอารับนิเวลาเขาแสดงความเสียใจอนอาสิฟอนอาสิฟข้าเจ้าเสียใจยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ชิดจากนาบีลุงนบีเรือญาตของนบีบางคนก็เป็นเพื่อนสนิทครับท่านนาบี การปฏิเสธท่านนบีสุลต่านไม่ได้ไม่ได้มีเป้าประสงค์ในตัวท่านนบีอย่างเดียวและที่ท่านนบีได้เสียใจไม่ได้เสียใจเพราะเขากระทำตัวท่านนบีอย่างเดียวพัลลอฮ์ได้บอกกับท่านนบีฟะอินนะฮุมลายุคดิบูนักแท้จริงพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้า ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون แต่พวกอัตม์นี้เขาปฏิเสธ องค์การของอัลลอฮ์ต่างหาหมายถึงว่าเป้าประสงค์ในการปฏิเสธท่านนบีนี่ก็คือปฏิเสธพระเจ้าของท่านนบีผลลัพธ์ของมันนี่ก็คือปฏิเสธอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะแยกการศรัทธาในตัวท่านนบีกับการศรัทธาในอัลลอฮ์นี่ไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมทำไมกะลิมโมการเข้าอิสลามนี่ต้องมีทั้งสองอย่างละอีลาอิลอัลลอฮ์ มุฮัมมัดอุลรัสูลอลลอฮยัออกกันไม่ได้ความศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยที่จะทำให้ท่านนบีและก็คนที่ยึดมั่นในความศรัทธาในอัลลอฮ์และนบีเนี่ยความศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยที่จะเป็นเหตุผลเพียงพอให้เราได้มีกำลังใจในการ ต่อสู้กับอุปสรรคต่างตงตัวท่านนบีซอลลอฮฺอะลัยฮิสไม่ได้มีความรู้ใดๆไม่ได้มีประสบการณ์ใดใดนอกจากความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็อิบราลมาท่านนบีแม้กระทั่งกุรานแม้กระทั่งความรู้ทั่วไปที่ท่านอิบรีลมาทุ่สอบท่านนบีโอเอิกรอิกรอานิ อ่านอะไรนที่อะไรที่เรียนรู้มาท่านนบีท่านนบีอ่านไม่เป็นอยู่แล้วนบีจึงตอบท่านจิบรีว่ามาอันนบี قار ิมาอันนบี قار ิขาวาเจ้านี้ไม่จำเป็นนักอ่านคําว่ากระอาออันนี้ในยุคยุครักรในในอิสลามและในภาษาประวัติ แต่ใช้คําว่าคัร์รานเนี่ยแปละว่าศึกษาคัร์รานนี่อ่านนี่แปละว่าศึกษาผ ม, ผมไปเรียนไปเรียนที่โมรโโ็อกกนี่โมร็อกกนี่ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่มีเป็นพื้นที่ที่มีกระบวนการศึกษาเรียกว่าโบราณโบราณแม้กระทั่งในคำศัพท์บางคําศัพท์เนี่ยก็ใช้คําศัพท์ดั้งเดิมเวลาเขาจะ ถามวันอาทิตย์เราเขาจะถามว่าไปเรียนที่ไหนมาถ้าภาษาอ раб เนี่ยไอ้เนี่ย تعلم ตะไปเรียนที่ไหนมาไม่ที่ประเทศโมร็อกโกเวนกรีตกรีตมันกรอตะไปอ่านที่ไหนมาถ้าคนยุคปัจจุบันเนี่ยจะได้ยินคำนี้ก็งงไปอ่านอะไรอะไปอ่านหนังสือพิมพหรือเปล่าไปอ่านไปอ่านที่ไหนมานี่แปลว่าไปเรียนที่ไหนมาเพราะการอ่านเนี่ยมันเป็น มันเป็นการเคลื่อนไหวหลักของการเรียนรู้ไงไ ม, ไม่ไม่อ่านก็คือไ ม, ไม่ได้เรียนรู้และอ่านนี่ตามเนยะอษ์นะอ่านนี่ก็หมายถึงว่าอ่านกับครูบาอาจารย์อย่างนั้นท่ทานนาบีได้บอกว่าบอกกับท่านจีบรีบอกว่ามาอ่าบิกอริข้าเจา้าไม่ใชสนักอ่านก็หมายถึงว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรฉันจะอ่านอะไรให้ใ ห, ให้ให้ท่านฟัง จิบร네ีลเนี่ยก็เลยบอกกับท่านนบีว่าที่ท่านจะอ่านนี่ก็คือความรู้ที่มาจากมาจากพระเจ้าอิกรับิสมิรบบิกัลละดีขลักจุดเริ่มต้นของการของการก่อตั้งแหล่งความรู้หรือสถาบันการศึกษาที่สาคัญที่สุดในอิสลามเนี่ยคือ ความรู้ที่มีที่ไปที่มาความรู้ที่มีแหล่งกูจะเาแหล่งอ้างอิงกรับิสมิรบิกะอ่านด้วยพระนามันไม่ที่อ่านอะไรก็ได้และความรู้มันไม่ใช่ความรู้อะไรก็ได้จะต้องเป็นความรู้ที่มีแหล่ง อีกเหตุการณ์หนึ่งท่านดิบรีลเนี่ยนำคุรานมาสอนท่านนบีสุลต่านละอัลเลาะห์ซึ่ละนมปอบใจท่านนบีด้วยกุรานว่าเจ้าไม่ดอยู่คนเดียวนะว่าอินนักละตุลกัลคุรานไม่ละดุนฮะกีม่นาลิมเจ้ากาลังถูกถ่ายทอดคุรานตุลกัตุลกัหมายท่ว่าถูกถ่ายทอดคำว่าตุลก จากคำนี ان ان ้มาคําว่าแต่ลัคกีคุณแม่ตัวนี้ดังแล้วตัวนี้เสือนิมเป็นวาเราแต่ลัคกีมาจากคําเนี้ว่าอินนากาลาตูลกโกหมายถึงว่าเจ้ากําลังรับความรู้มิลลาดุนมาจากมิลลาดุนฮักีมินาลิมมาจากัลลอฮฺและนี่คือสายเร่งงานที่สดใสที่สุด ل ق صن دست محمد جبريل الله محمد جبريل الله. ใครทีจะมี إسناد قرآن ن تي เรียนรู้ إسناد قرآن. ได้อ่าน قرآن กับ أجان كوني ك กับ أجان أ ن จน ي ن ل ص ح ا ب ة แล้วเขาจะเขียนใน إسناد نه.هذا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب ا ل ع ز ة إ إن س ي ر ن عن إسناد ه ج ب ن بعدين. เพื่อยืนยันในแหล่งความรู้ที่เราได้ถ่ถายทอดมารุ่นต่อรุ่นอันนี้พูดถึงเรื่องความรู้ศาสนานะรุ่นต่อรุ่นจนถึงองค์ลัทธิบุหานหุตานะแต่ท่านนาบีไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ดิบๆความรู้ที่ไม่มีจิตวิญญาณความรู้ที่ไม่มีที่ไม่มีสาระไม่มีเนื้อหา ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่พิสูจน์ไม่ได้ในสิ่งที่ท่านนาบีไดถ้ถ่ายทอดมารับการถ่ายทอดมาจากอัลลอฮ์จากท่าน จ, จีบรีนแล้วก็ถ่ายทอดไปยังรุ่นรุ่นหลังรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงรุ่นเราเนี่ยหนึ่งในในเนื้อหาที่อยู่ในความรู้ที่ท่านนาบีถ่ายทอดมาเนี่ย ก็คือความรู้ที่สามารถสัมผัสกับผลลัพธ์ของมันและพิสูจน์ประโยชน์ของมันด้วยตัวเองอุรอ่านละฮะดีทุกคำสั่งสอนอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เลยนะพอเราเรียนรู้กุรอ่านละะดีเนี่ยเราต้องหาจุดสำคัญในความรู้ที่เราได้ศึกษาด้วยกันเนี่ยในกุรอ่านละฮะดีเนี่ย ตัวพิสูจ น, น์ในตัวเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยว่านี่นี่คือกุรอ่านขององคนี่คือพระดํารัสขององคนี่คือคําพูดขององคนี่คือคําพูดของท่านในมิซอลละลอฮ์วาลียบัสสลัมเราได้พิสูจน์แล้วสายรายงานเนี่ยชัดเจนแล้วสาเหตุแล้วแต่มันจะต้องพิสูจน์ในศัตธรรมที่อยู่ในกุรอ่านและฮะดิษซึ่งไม่ชิว่า ใครก็ได้ใครก็ตามที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่จะต้องผ่านกระบวนการวิชาการแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือของวิชาการที่สามารถพิสูจน์สัจาธรรมนี้ได้หนึง่งใ น, นนั้นน่ะนะครับที่เกี่ยวกับกุณอ่านนะคุณอ่านความรู้ <c oughs> ที่อัลลอฮุ سبحانه และ ت ع า ل ى นำ ม, มาปอบใจท่นนนนานนบี صلى الله عليه وسلم หนึ่งในนั้นก็คือกา ร, รที่เราเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานวันนี้เนี่ยในอายะที่หก เราจะเรียนรู้ทักษะหนึง่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นข้อผูกพันระหว่างกุรานและหะดิษและรูปแบบในการสัมผัสกับศัจธรรมที่อยู่ที่อยู่ในเนื้อหาของกุรานและหะดีษเมื่อก่อนตอนเริ่มเรีนยนตัฟซีรเนี่ยเรียนความหมายกุรานผมจะบอกกับคนที่มาเรียนกับผมนี่สำคัญมากนี่ ผมจะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้แต่สำคัญมากสำหรับคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยที่จะต้องถามตัวเองว่าที่ฟังฟังผมอธิบายเนี่ยที่ฟังกับผมอธิบายเนี่ยคิดไหมสว่างไหมอะไรไม่จำเป็นน้าต้องรู้รายละเอยียดลึกซึ้งขนาดไหนแต่ ความสว่างของกุรานี่แสงสว่างอยู่แล้วความสว่างในอายะเนี่ยเราคิดไหมเราได้สัมผัสไหมต้องสัมผัสได้ระดับหนึ่งไม่ต้องถึงขนาดที่สุดของแต่ละอายะแต่ละฮะดีสแต่ต้องสัมบัติระดับหนึ่งของความสว่างขององค์การของอายะหรือฮดะดีสที่มาจากท่านอบดุลอฮฺัลลัลลอฮฺ้วะะแลอัลลอฮถ้าเราไม่ได้จะ ทุกครั้งที่มานั่งเรียนดับซีกับผมเนี่ยเราต้องทำการบ้านต่อเพราะการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องมีความบกพร่องทั้งสองทั้งสองข้างมีความบกพร่องจากตัวผมหรืออาจจะมีความบกพร่องจากคนที่กาลังรับความรู้จากผมซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายถ้าผมบกพร่องพวกคุณก็บกพร่องอันนี้ก็ ลองไปละหมาดยานาซานนี่แหละอันนี้เขาแย่ที่สุดเลยคือไม่มีประโยชน์เลยถ้าสื่อสารกันในเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคือคุรุานเนี่ยแล้วก็ไม่เขา้าใจอะนะแย่มากเลยคือถ้าเราเรียนเรียนศาสตร์อื่นความรู้อื่นแล้วก็ไม่เขา้าใจนี่มันไ ม, มน่แต่ถ้าหากว่าเราได้มีช่องทางในการที่จะเรียนรู้ เราต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของความหมายของอัลกุรอานเราอยากจะเข้าใจอย่างาพูดอะไรกับเราเนี่ยถ้าเรามีช่องทางนี้และแต่ช่องทางนี้เนี่ยไม่ตอบโจทย์เนี่ยแสมมติว่าที่นี่เนี่ยเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจก็ไปเรียนที่อื่นเข้าใจดีกว่ามากกว่าดีมมีปัญหาผ ม, ผมนี่ม่ ไม่ไม่ยึดติดเออตรงเรียนตรงเรียนที่นี่นะตรงไปเอาหนังคันนะไม่เรียนถ้าไม่เรียนที่นี่ก็อนาำให้เรียนที่นี่เท่ากับกินหญ้าอะไรเงี้ยเรียนที่ไหนได้ที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เข้าใจขอให้เข้าถึงอัลลอฮ์ต้องการอะไรจะกเราระยะก่อนนี้นี่พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของเลาใช่ไหม เราก็ที่บปไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องเรื่องสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในมีต้ น, ต น, ตนทุนเท่ากันมองเห็นสัมผัสสิ่งที่โคจรรอบรอบชีวิตของเราสิ่งเวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยกลางวันก็เห็นดวงดวงอาทิตย์กลางคืนก็ต้องเห็นดวงจันทร์แล้วคนตั้งแต่ดึกดาบรร น, นี่เขาก็ เขาก็สังเกตการเรื่องนี้จนได้ประดิษฐ์สูตรคำนวณเพราะเขาเห็นนะว่าการโคโจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีความแม่นยำมีความละเอียดความสม่ำเสมอจึงสามารถตั้งสูตรคำนวณได้และพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปรากฏการณ์เช่นฤดูกาลเช่น ความหนาวความร้อนความเหมาะสมของอากาศฟ้าดินในการทำเกษตรซึ่งตอนนั้นก็เป็นอาชีพหลักสำคัญของชาวบ้านเขาก็สังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีความสม่ำเสมอสามารถวางสูตรตั้งสูตรได้จากจากการสังเกตซึ่งอันนี้ที่อัลลอสุบฮานาวัลลอเรียกร้อง แล้วแล้วก็มันจะมันจะปลอบใจได้ไงอ่คือถ้าหากว่าเราได้ตระหนักในความยิ่งใหญ่ของรัุบาลนวัดดาลาที่ได้วางระบบที่แม่นยำและละเอียดขนาดนี้นะมันจะทำให้เรามองไม่เห็นหรอกไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตมหาานการที่มีคนจะมาปฏิเสธเจ้าเจ้าไม่ต้องเสียใจมากหรอกเพราะ Allah ดูแลเจ้าอยู่ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าอยู่เจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสะเทือนใจถึงในท้ายอายะที่ห้าเนี่ยเราบอกว่าอยู่ฝศุลอายะที่หลีเขามียาละมุน Allah ส่งจาแนกสัญญาณต่างๆสําหรับมวลชนที่มีความรู้นี่ความรู้ ความรู้นี่มาจากอะไรมาจากสังการสังเกตการสังเกตอายัดนี่แปลว่าอะไรนี่เขาบอกว่าสัญญาณแล้วองค์การองค์การคุรานี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอายัดเหมือนกันอ้านี่ก็อายัดคุราน่เนี่ยนี่ยเเนี่ยข้อเขียนเนี่ยเนื้อหานี่เป็นอายัดแล้วก็ที่เราเห็นในดวงจันทร์ตรงนี้ก็เป็นอายัด อุลามะจึงบอกว่ามันมีอายะทรงบริบูรอายะชั่วร้ายอายะสัญญาณชอ่วร้ายแห่งบัญญัติสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้สิ่งที่อัลลอฮ์ดำรัสไว้นั่นแหะเป็นอายะเป็นองการก็เป็นสัญญาณเป็นสิ่งที่คําว่าอายะไปว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็อายะเต่านิยะอายะเต่านิยะไปว่าแห่งสากล สากลลโลกสัญญาณแห่งสากลละลกมันไม่ได้เป็นข้อความไม่ได้เป็นข้อเขียนแต่มันเป็นปรากฏการ์ยิงย่งใหญ่ในบอบลกุรอานมุสลิมตอนที่เกิดสุริยบราคาสมัยท่านนาบีนบีก็เลยว่าอินชัมสวร์ขอมุราแอยาดานีทั้งดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเป็นสองอายะหมายถึงว่าเป็นสองปรากฏการ์ที่ยิงย่งใหญ่ เราเชิญชวนพวกเราเนี่ยให้ให้เฝ้าสังเกตมันเรียกคำวิญญาและมุ่งสำหรับสำหรับมู้ชนที่เรียนรู้ที่ที่มีความรู้นั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์กำลังกําลังตอบใจให้คนที่กําลังเรียนรู้จากกุรอานที่เป็นองค์การที่เป็นอายะห์จากอัลลอฮ์และจาก สัญญาณปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นอายาัดเกาหเนี่ยให้เราได้มีความเชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอ์สุภานหตาลาเชกเช่นที่เราได้เห็นความแม่นยำในโครงสร้างที่อัลลอ์ได้สร้างระบบโคจรของจักรวาลอัลละ์เคย ถไม่เราผิดหวังไหมดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้โคจรตามกำหนดเที่ยวไม่เคยทุกสิ่งทุกอย่างที่ a ล l a h ได้วางระบบไว้เนี่ยมันไมน่นนบเช่นเดียวกันที่ a l ล a h สัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้ศรัทธาสัญญาว่าจะให้สัจธรรมนี้ได้ปรากฏอินนาว่าด้วลลย a l l กแท้จริงสัญญาของเาจริงเสมอสัต์จริงเสมอ ความแม่นยําของสัญญาของอัลลอฮ์ในด้านบทบัญญัติมันก็ไม่ต่างกับความแม่นยํา ข, ของโครงสร้างที่เลาสร้างไว้ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ถ้าเราเชื่อว่าผู้ที่สร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยแม่นยํานะเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในความแม่นยำของเลาสุาวรรณนาที่จะให้ปรากฏซึ่งสัญญามั่นของอัลลอฮ์สุวรรณนาัาี่ระให้ปรากฏ แล้วเราจะต้องช่วยเหลือผู้ที่ยึดมั่นในศัสนานี่นี่คือสมการของการปอบใจของเราสุภาณวอตะาลาแต่อายันี้นะายันที่หกแล้วเนะียมีความลึกซึ้งมากนะครับวันนี้วันนี้ก็ขออายานันี้อายัเดียวนะจะบอกว่าก็ไม่ร้ก็ยังอยู่ในทํานองเดียวของการยืนยันในความยิ่งใหญ่ของเราสุภาณวอตะาลา แต่จะผูกพันเรื่องความเมียกอลอสพาโนวาดาล้กับผลลัพธ์ที่มันต้องปรากฏกับตัวเราคือยิ่งใหญ่เออรู้ว่ายิ่งใหญ่แล้วไม่มีผลลัพธ์กับตัวเรามันก็ไม่มีประโยชน์มันเหมือนเหมือนยังไงรู้ไหมเหมือนเยาวชนเดาไปเที่ยวพัทยาทำอะไรพัทยา ไปดูความยิ่งใหญ่ที่ไหนยไปน่นะในหาดในหาดทะเลนู่นนะที่เขาเล่นน้ากันน่ะนะแก้ผ้ากันน่ะนะใช่จะไปดูความยิ่งใหญ่คือถ้าหากว่าการนามาซึ่งพินิจพิจารณาความยิ่งใหญ่ของเราสุภาวดาลคือการทาบาปในเวลาเดียวกันน่ะนะ ความมิเงยของรวศมีจะไม่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ในตัวเราเหมือนเหมือนคนดีหุ้ยอ่านอ่านไม่เรื่องอ่านไม่เข้าใจถ้าไม่ไงดีอะนำทอมสักขวนึงหมบุรีสักมวนนึงมกัญชาสักอึกนึงหเรลาสักอึกนึงหมัออบางคนก็บอกว่าอยไม่เชื่อก็อย่าลบลู ออมีคนเขาบอกว่าบุรีนี่มีผลนะน้ำท่อมนีน่โอ้ดดูหนังสือทั้งคืนเลยมันมันเกิดแฟชั่นท่ประเทศอารับบางช่วงนะ่ะอุละห์มาเขาก็เขาก็ต่อต้านเดอร์มอดอนที่ประเสศนี้เราเรื่องเกิดขึ้นทิบเบติสซาอุดิอาระเร บ, บียจริงนะเดอร์มอดอนพวกเรารู้ไหมว่า ไอ้ไอ้น้ำน้ำชูกําลังเขาได้ อ, อะไรน้ำอะไรเขาเรียกน้ำ <S <S น้ำผมไม่อยากเรียกไอ้นี่ย่อมันไอ้ไอ้นั่นไงไอ้มีเขาเนี่ะอเออมันถึงซาอุดีนะมันถึงซาอุดีแล้วก็ คือเยาวาชนที่เคร่งศาสนาที่ขยันเรียนรู้ขยันต้องจำกอันขยันเกียมุลเลนเนี่ยเฮ้ยดื่มแล้วตาสว่างเลยอะละหมาตเกีย ม, มุลเลนเลยทั้งคืนอะแค่นั้นแหละครับซื้อกันเป็นกละมังเลยแล้วก็กอดไปละหมาตรวยหน่งก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็กมก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก คือเขาเนี่ยเข้าใจว่าเออมันก็มันก็เหมือนน้ำอัดลมเหมือนน้ำผลไม้อะไรพวกเนี้นะแต่เขาไม่รู้ว่ามันมันมีมันมีสารไงถ้ากินเยอะนี่มันก็ไม่ไม่ดีอ่ะถึงแม้ว่ามันไม่ถึงขั้นบาปนะแต่มันเป็นเส้นทางของคนที่ไม่ได้ใช้กําลังความสามารถส่วนตัวต่างกันสิ คนที่ละหมาเตียมุ่นเลนแล้วก็สู้กับความง่วงด้วยความสามารถที่ธรรมชาติของเขาอะนะเบบุญละบุญมากกว่าคนที่มาสู้กับความง่วงด้วยด้วยวิธีแบบเนี้ดื่มน้ําท่อมสู่บุรีอะไรแบบเนี้ซึ่งแต่ก่อนนันมียุคหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีนะประเทศบางปอย่างประเทศอีบิปต์ร้อยกว่าปีนะประเทศอีบเนี่ยพอ จักรวัดนิยมเนี่ยมันเริ่มบูมละและจักรวัดนิยมเนี่ยพามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอบอายมุกจีนเนี่ยเอาฟินมาขายเหมือนเหมือนขายผลไม้เลยฝรั่งอีมเนี่ยเขาอาบุรีมาร้อยก็่ปีนะเอาบุรีมาขายกับชาวบ้านโอ้โหสูบบุหรีแล้วโอ้ยมันมันสุดชื่นน่ะคือสูบแล้วแล้วก็รู้สึกว่า มันสว่างสวัยอะถึงขนาดที ai, oup, ung, mi, mi ่มันกลายเป็นแฟชั a, ่นสําหรับนักศึกษาศาสนาที่มหาวิทยาลัยประสาทถ้าเราสังเกตนะบ้านเราก็เหมือนกันเมื่อร้อยปีเนี่ยสูบุรี่นี่เป็นแฟชั่นถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องมีมีบุหรีมวลนึ่งคนใหญ่โตบ้านเราเนี่ยก็ต้องมีบุหรีแล้วก็ไม่เท้าแต่สังเกตนะบุหรีแล้วก็ไม่เท้า สองอย่างนึ่แฟชั่นไงแล้วก็ถ้าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หนีบุรีสักมวนหนึ่งอนะเชยเชยอุลามะทั้งกะดีอุลมามะท่านหนึ่งเขียนหนังสือเนี่ยสนับสนุนให้สู่บุรีเ อ, อ่อทีหลังเนี่ยเราก็เห็นหนังสือ ท, ที่ต่อต้านเรื่องบุรีใช่ไแต่ช่วงนีเขาไม่รู้ไง เขาไม่มีไม่มีข้อมูลไม่มีตัวพิสูจน์ไม่มีวิชาการที่จะพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องนี้มันอันตรายเขาเขียนหนังสือสนับสนุนให้สุบุรีเพราะมันเป็นเป็นพืชเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เข้าใจงั้นแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยคือการเรียนรู้การเรียนรู้อัลกุรานโดยที่ ไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องใช้กระบวนการหรือหลักการที่มันผิดหลักการศาสนาถ้าากว่าเราจะพิจารณาสิ่งที่ Allah อัลลอ์ทรงสร้างเนี่ยแต่มาพร้อมบาปนะผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเคยพูดกับพี่น้องว่าการเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยเรียนรู้ได้ทุกที่นะ เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ไม่มีบัณหาแต่สถานที่ในการเรียนรู้อัลกุรอานที่อัลลอฮ์และกัท่านนบีสุลต่านแล้วแสลมส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้และก็อ่านนี่ก็คือมัสยิดดิฉันท่านนบีได้บอกว่ามลยการนี้จะมาที่ไหนตอนที่เราเรียนรู้กุรอานในมัสยิดแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเรียนรู้กุรอานในสถานที่อื่นมันก็ได้ แต่จะได้ผลบุญที่ท่านนบีได้บอกที่ได้ระบุไหมผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะได้ไหมเกรงว่าจะไม่ได้เพราะในห a d i s ในตัวบทเนี้มีระบุว่าฟ ي بيتين من ิ ي و ت الله ในบ้านในบ้านของ Allah อันนี้มองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันอยากจะเรียนรู้สิ่งยิใหญ่ที่ Allah سبحانه และก็สร้างไว้ให้เป็นปรากฏการกับสายตาของเราเนี่ย เราต้องเรียนรู้ในบรรยากาศที่ทําให้เราได้พินิษพิจารณาผลลัพธ์ของมันน่ะที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเรานี่และเพิ่มบูรณากานให้เกิดขึ้นให้ได้อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นเป็นเงื่อนไขเคยมีเขก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการแต่ก็เป็นนักคิดน่ะนักคิดเคยออกทีวีแล้วก็ แล้วก็ต่อต้านเรื่องฮี j าบเขาก็จะคุมฮียาบทำไมฮีาบเนี่มันมันจะปิดบังความสวยงามไอ้คนที่ดำเ น, นินผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาก็ทำเอาแล้วก็ความสวยงามทำไมทำไมต้องไปมองต้องไปต้องต้องไปจ้องไ ป, งไปมองเขาแล้วก็ ทำเราให้ปิดเธอได้ไม่ไม่มองอ่ะพก็ทําไมอ่ะเราก็มองความสวยงามเนี่ยมองในสิ่งที่สวยงามที่ใหญ่เดียวเราได้สร้างไว้นี่ถ้าหากว่าเราจะคิดแบบนี้สแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้หลักการของลัทธิพระนวราชทั้งหมดเนี่ยให้ให้เป็นชิ้นเดียวเป็นก้อนเดียวแล้วคนที่จะอ่านคุณอ่านนี่ก็จะรู้ว่า้มองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย แล้วก็อ้างว่าอ๋อมันเป็นสิ่งเดียวเราทรงสร้างและเราจะเพิ่มบุญอีหม่านนี่มันเป็นไม่ได้เพราะมันจะเป็นบาปในตัวมันจะไม่เอื้อให้เกิดอีหมานอย่างแน่นอนเรามองสิ่งที่บาปที่อัลลอฮ์ห้ามไม่มองเงี้ยเรากา็โอ้ไม่ได้ฉันจะมองจะได้ดูความมิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สร้างไว้อันนี้แสดงว่ามันเราเราไม่เข้าใจบทบัญญัติอื่นๆที่อัลลอฮ์จำกับชีวิตของเราไว้ด้วย อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนทําไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอายะที่หกเนี่ยจะเชิญชวนให้เราได้พิจารณาปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดบ่อยครั้งเกิดบ่อยจนกระทั่งเราชินกับมันอินนับิขติละ في ليلو ล ل ن ه ا ر ิ و ما خلق الله في ا ل س م ا ล والارض لا آيات لقوم يتقون แท้จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันว่ س س ن ن ة ه ามา خلق อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทงสร้างทิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ิบสีิบสี่สิบสี่ินสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สิสี่สิบี้สิบสี่ทิบสี่สิบสี่สิบสีสิบสีส เรียก็มีเอกตกูณเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความเยี่มกรีนตื่นเช้ากลางวันละพอตกค่ำค่ำกางกลางงคืนละเราเป็นแบบนี้ตลอดสับเปลี่ยนใช่ไหมน้อยคนที่จะมองถึงการสับเปลี่ยนระหว่างกลางวันและกลางคืนให้เกิดผลลัพธ์กับตัวเอง อายะนี้บอกว่าเลยคาวินสำหรับคนที่ยำเกรงมีความย่ำเกรงสมมุคนีคนที่มีตัะกวาความย่ำเกรงฟังให้ดีนะแต่ในคุรานเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องสับเปลี่ยนกลางวัน ก, กับกลางคืนเนี่ยว่ามันเป็นสัญญาณเป็นอายะนี่มีอยู่ห้าตแหน่ง5อายะห้าที่ ที่จริงพูดถึงเรื่องกลางวันและกลางคืนนี่มีมากกว่านั้นแต่ที่พูดถึงการสับเปลี่ยนด้วยสำนวนนี้เลยนะลตลายลีแบบนี้เลยนะมีอยู่อายะอายะใน surah a a อัฟีขกาเราวน وتصريف الرياح آيات ا ل قومي ع ق ل و ن ك ا ร ت ب ي ل ของกลงวันและกลน هنا آ ي ا ت ل ق و م س م ر ب م و ج يأكلون.تيشاي س ط ب ا ن ي ة ن ي آياته.آياتي سوم.سورة آل عمران.هيتهاي آل عمران.إن في خلق السماوات والأرض لآيات اللي أول الألباب. إن في خلق السماوات والأرض و ا خ ت ل ا ف الليل والنهار لآيات لقول البقرة عن سان فارابندن ل ا ع ا ر ت ت ي ي من النهار إ الليل هو آيات إشارات ل و ل البقرة لصالح بني آ ش ن هيك لأ بني آشون. اثنين ي ا ت ل ا ن الآية هذه تعني نصورة يونس. يتقون แล้วก็มอีกสองอ า, าเนี่ยสุรษะ المؤمن ุน الم แล้วก็สุรษะเจ้าที่นีว่าการสเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนเนี่ยสำหรับหมู่ชนที่อยากกินหมูเหมือนกันฟังให้ดีนะหาอายะ ส, สีอายะบอกว่าการสับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นสัญญาณสําหรับคนที่ใช้สติปัญญา คนที่มีปัญญาชนมีปัญญาบันดาปัญญาชนอายาเดียวในสุรัตยูนุสเนี่ยเกามินยัตตะคุณสำหรับมุชนที่ย่มเกรงความสำคัญของการเรียนรู้ความหมายคุตอานพร้อมหะดิษเนี่ยเราอวันนี้เราจะสัมผัส สำหรับคนตัวไปนะยากกิลูกปัญญาสมองแต่ยัตตะกูนคนนี้ยมเกรงยมเกรงมันหัวใจนบีเอ็งกรพู่นไงยัตตะกูนนบีบอกว่าตะควาหันานี่ันด็มุสลิมตะควาหัน้าตะควานีมันอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจตะควายู่ที่หัวใจแล้วมันจะขัดกันไหมไม่สิ คุรอ่านจะต้องทำให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างดีเลยนะว่าองค์การหัวเาสวาตาไม่ขัดกันเนี่ยน่อย่างนน่นอนวะเราการะมันเินดีรแล้วเราจอฟีดเลลัี่ถ้าอื่นจะกุรอ่านเนี่ยน่าจะขัดกันเยอะแสดงว่ากุรอ่านนี่ขัดไม่ได้ต้องเข้าหากันได้ระสาต้องเข้าใจเข้าประเข้าใจวิธีประสานให้ได้ ถ้าเราไม่เข้าใจก็แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เราอยู่ที่เราประเด็นอยู่ที่ว่าทุกวันนี้นะเนื่องจากวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราได้จำแนกระหว่างหน้าที่ของสมองและหัวใจสมองอยู่ที่ไหนเฮ้ย แกมีสมองคิดไหมอันนี้แล้วก็ชี้ถึงที่นี่นะแล้วก็มีหัวใจเนอันนี้หัวใจนี่ไว้กับเรื่องโรแมนติกหน่อยไอของโรแมนติกเนี่ยอันนี้ไว้หัวใจเรื่องความรักความหวัง อ, อกหักอะเ น, นี่ยอมันอยู่มันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่หัวใจ แต่สาหรับกุฎอ่านภาษากุฎอ่านเนี่ยไม่มีจะไม่มีไม่มีการแยกใน Surah Al Haj เนียอัลลอฮ์ไม่บอกอัลลอฮามีหัวใจหัามีหัวใจที่ไม่ใช้คิดกระนัน และยาก و ن ่นอะยากลุ่นน ي ในอ ي ยะเกี่ยวกับเรื่องสัพเพียนของกังวัละเลยอายะเลยเขามียากลุ่นเลยใครอันหนึบอกว่าเขาเขามีหัวใจทาไมมีหัวใจที่ไม่ใช้คิดล่ะอต่เนื่ว่าหัวใจหัวใจไว้คิดระหว่างที่ท่านนบีบอกว่าอัตตวะฮะูนาตกวาอยู่ที่นี่ และที่คุณอ่านได้บอกว่าหัวใจเนี่ไว้คิดนนะ่แสดงว่าตกวัวกับคิดกับกับปัญญานี่นะมันอยู่ที่เดียวกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแนวทางด้านการแพทย์แต่เขายังไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมยังเป็นทฤษฎีนะว่า มันจำแนกไม่ได้หรอกระว่างหัวใจกับสมองคือจะอ้างว่าความคิดมันอยู่ที่สมองอย่างเดียวนี่ไม่ได้ความทรงจำนี่อยู่ที่สมองอย่างเดียหมายถึงว่าสื่าในกระโหลกนี่เนี่ยมันสมองเนี่ย น, น, นะไม่ได้เรื่องความคิดเรื่องความทรงจำหัวใจนี่ต้องมีบทบาทแลวล่าสุดนี่ทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่า ประสาทรวมถึงความจำนเนี่ยเมม ori ด้วยนะมันไม่ได้อยู่ที่สมองอย่างเดียวสำหรับกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยมีส่วนประสาทและเซลล์ประสาทจำนวนมหาศาลที่มันกำลังทำหน้าที่เหมือนหน้าที่ประสาทและเซลล์ของสมองบางส่วนนี้มีเมม ori ของมันน่ยไม่ต้องเมม ori ไม่ไมได้อยู่มันมันอยู่เฉพาะใน แต่ละจุดของอวัยวะโดยเฉพาะตับตับที่เป็นมหัศจรรย์อย่างหนึง่งในร่างกายในสรีระของเราแต่เราไม่ได้มองถึงจุดที่มองเห็นในด้านอวัยวะหมายถึงว่าเวลาเราอธิบายเรื่องสมองกับหัวใจเนี่ยเราไม่ได้เรียนวิชาอาณาตมี การณ์ตมีเนี่ยก็คือวิชาอาวียวันอาวียวันนี่ร่างกายนี่สมองนี่ตับนี่ไตนี่นใช่ไหมมาเรียนกุศานนี่มันไม่ใช่การณ์ตมีแต่เราอยากจะเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮฺสวาบเนาะด้นเราต้องการสื่อสารให้เราเนี่ยเพราะแต่ละวันนี่มันก็อยู่ในร่างเดียวกันนี่แหละเราต้องใช้ประโยชน์ร่างของเรานี่ทั้งหมดเลยฉะนั้นมันจะไม่เป็น ปันหาสำหรับเราถ้าจะเข้าใจกุราเนือว่าถ้าท่านนาบีนสุ ล, ล, า, ส า, ล, ลาบอกว่าตะกวหาห่าฮนาตกว่ามันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่หัวใจอีกอ้กอันนึง อ, อัลลอฮ์าบอกว่าอหัวใจนี่ใช้คิดเรานี่สม ม, มติเราเฮ้ยคิดบ้างดิคิดบ้างลองไปทากับเฮ้ยเก็บคิดบ้างดิบังเป็นอะไรบัคิดชี้ที่หัวใจคิดลงคิดบ้างดิทำไมไม่คิดอ่ะเรา คิดบ้างดีทําไมไม่ใช้สมองบ้างดีแล้วก็ชี้ที่กระโหลกนี่เพราะเรานี่มันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องความเคยชินน่าจะมาจากละครต่างนั้นมันไม่มีเขาเรกยกอะไรอ่ะไม่มีตัวพิสูจน์ด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซนตที่สามารถยืนไะด้นที่เราทํานี่นะมันมีเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์เฮ้ยทำไมไม่ใช้สมองคิดพอจริงเงินแทบจะคิดเนี่ยมันไม่ถึงนี้ที่เกิด ต, งตรงตรงนี้ใช่ไห กระม่อมนี่มันมีส่วนหนึ่งตามที่เขาเออมันก็ส่วนของสมองที่มันคิดที่มันคุณอ่านก็มีนะคุณอ่านก็มีในสุรัตละลักและนัสฟะอาม بالناسيئة ن นา ي ئ ة تينك عذيبتين خطيه อัลลอฮฺบอกว่าในนรกเนี่ยเราจะลงโทษกะหม่อมน اسيئة กะหม่อมเป็นกะหม่อมที่ช่างปฏิเสธเสียนี่กระไร กรมปฏิเสธดูแปลกนะแต่มารู้ทีหลังนี่วิทยาศาสตร์บอกว่าใต้กระหม่อมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของมันสมองที่มันจะสั่งการทําให้เราได้ตัดสินใจตัดสินอยากจะทําหรือไม่ทำเนี่ยมันอยู่ส่วนนี้ก็เรียกว่าส่วนวิเคราะห์ของสมองที่มันอยู่ตรงนี้อาสแสดงว่าที่มันชี้ให้เราศรัทธาให้ปฏิเสธให้ทำดีทำบาบนี่นะมันอยู่ตรงนี้ เราจึงเรียกกหม่อมนี่ก็เป็นกหม่อมที่ช่างปฏิเสธที่ทําให้เข้านรกนี่ก็คือไอ้ไอ้ที่อยู่ตรงกรหม่อมตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตามกุรอ่านนรตามวิชาแพทย์ที่ถูกต้องกันเฮ้ยไม่คิดนะต้องทำอย่างนี้นะแต่นี่มันไม่ใช่ประเด็นไงที่ท่านนายกว่าตากัวฮะหนะวาชาระอิลกลบีตะกัวมันอยู่ทนี่อยู่ที่หัวใจ แล้วกุรูอันได้บอกว่าอารมณ์กลุอก่อยากลูวน บ, บีฮะแสดงว่ามันมีสองกริยาที่หัวใจที่หัวใจเนี่ยที่ท่านนบีชี้เนี่ย ม, ม, ม, มันดํามันําหน้าที่คือคิดแล้วก็ย่มเกรงระหว่างคิดแล้วก็ย่ำเกรงถ้ามันเป็นผลลัพธ์เดียวกันแสดงว่าคนที่มองถึง การสับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนเนี่ยอินนับิฮติลาบิลไลลิวนาริการสับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนว่ามา خلق الله في السماوات والارض และสิ่งที่ a ลลอ h ได้สร้างในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความยั่งยืงและในขณะเดียวกันในอายะอื่นกลุ่มชนที่เขาอยากกิรูน ที่เขาคิดที่เขาใช้บัญญาคนที่มีตะวาเนี่ยจะ ต, ต้องเป็นคนเป็นคนที่ช่างคิดเป็นคนที่มีความคิดความเยียมเกรงต่อนลสุภานวดาละ่ะไม่ใช่เพียงการปฏิบัติที่ไร้ไร้การใคร่ครวญแต่เราเนี่ย คนนึงโอ้ยอยู่นี่มื่อสิบอ่านกูอ่านทั้งวันทั้งคืนตื่นทั้งคืนก็ละมาทั้งคืนกลางวันก็ที่สิ้นอดอคนนี้มีตะกัวบางทีเนี่ก็เบสิกกว่านี้นะก็ใส่โตบแล้วก็แล้วก็หมวกแล้วก็เข่ายาวแล้วก็โอ้คนนี้ดูหน้าตานี่มีตะกัวอันนี้เบสิกมากเลยแต่พอเราเรียนรู้กุร์านตะกัวนี่มันไม่สชแค่นี้ ใช่อ่านคุตตานีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตะกัาและหมาเตียมวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตะกัาแต่มันไม่สัญญาณตายตัวว่ามีแบบนี้ก็แสดงว่ามีตะกัาไม่เสมอไปแสดงว่าคนอ่านกุตตานอาจจะไม่มีตักัาก็ได้ก็ได้ไดส่วนหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็เป็นผลลัพธ์สาหรับเราในเวลาอ่านกุตตานเนี่คนที่มีตะกวัวนี่ ก็จะต้องเป็นคนที่มองมองกลางวันและกลางคืนไม่ใชถือสิ่งอดเดียงเดียวลังหมาเตียมบุหรเหลียงเดียวไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวนี้นะมันต้องมีผลลัพธ์กับตัวเขาเององแน่นอนว่ามาสิ่งที่อัลลอ์สร้างคลกว่ามาขลกอัลล์สิ่งที่อัลลอ์สร้างทั้งเรนฟ้าและกัแผ่นดิน ทั้งหมดเลยเนี่ยมันต้องอยู่ในสายตาของเรานาไปพิจารณาจะได้เกิดตะกัวสุงสรรอัลอิมรานอัลลอฮบอกว่าอายะติลิอูลิอัลบาบสำหรับปัญญาชนปัญญาชนลุบภาษาอาหรับเนี่อลุบในภานนุมอลุบคือลอัลลุบลุบ ลุกก็คือภายในชาว้กับอากักรูไหมว่าสมองแต่ในขณะเดียวกันอัลบาบสมองเนี่ยอยู่ในอายเดียวที่อัลลอ์บอกว่ายัาตะูุนก็แสดงว่าปัญญาชนกับผู้ยำเครงนี่มันเป็นกลุ่มเดียวกันกำลังทำหน้าที่เหมือนกันอิมามชาฟีดจึงบอกว่าคืนหนึ่ง ในคืนหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นสำหรับข้าพเจ้านะการเรียนรู้ประเด็นเดียวเนี่ยประเด็นเดียวเนี่ยที่เรียนรู้ได้ความรู้ของประเด็นเดียวนะ่ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นดีกว่าละหมาดคืนนั้นทั้งคืนอมิมชามีความรู้ในกุรอานนี่จะว่าสุดยอดแลวสแสดงว่า เราจะต้องเข้าใจเรื่องตะกวาเนี่ยให้ตรงกับคุณอ่านแล้วก็ต้องกาดีสิเราต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือมาตรฐานของเราอะคนที่มีตะกวาอ่าตะกวาเนี่ยที่เราก็าโอ้คนที่วะร้อคนที่อ่านกุณอ่านคร่งคัดตรงอัติการฟตรงถึงจะมีตะกวาไม่จะเป็นเสมออีกอย่างหนึ่ง ปัญญาชนเนียกคือคนที่มีมันสมองใช่ไหมต้องใส่แว่นใช่ไหมพวกปัญญาต้องใส่แว่นแล้วก็ต้องผมฟูอย่างเงี้ยเหมืนอนไอน์สไตน์อะไรเงีไม่มีเวลาจะหวีผมมาเลยอะไรเงี้ยเออนี่งานบวยบุยบวกฉลาดพวกมันสมองเนี่ยพวกปัญญาชนเนี่ยเขาเฉยมากคิดแบบนี้นี่คือเฉยมากเลยคิดแบบนี้คือคนที่ดูละครดูหนังอย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนทนันสกติ เราสามารถมองสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราสุวรรณาวุธได้สมมตินะครับการกุณอ่านหรือการอ่านกุณอ่านอายะเดียวหรือเรียนรู้วิทยาศาสตร์สักเรื่องหนึ่งแล้วก็สัมผัสกับความมีใหญ่หัวร้อนนี่ทําให้เรานี่ยทราบซึ่งน้ําตาไหลเราไม่ได้ละหมาดกล้งคืนเราไม่ได้ถื่นสุดนันไม่ไดแต่มันสามารถสร้างตะวันในช่วงกระเพาะตานี่นะจากความรู้เล็กน้อยที่เราได้เรียนรู้มา แล้วมันอาจจะมีผลกับตัวเรามากกว่าผลที่เราได้ทำอะไรแล้วก็ไม่รู้สึกหรือไม่สัมผัสกับผลลัพธ์ของมันก็ได้ไอบาดาบางอย่างก็เป็นอย่างนั้นเั้นแล้วมาเกีอร์วุลเลนหรือการถือสิญจน์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นผลลัพธ์ของมันเนี่ยแสดงว่าเรากำลังปฏิบัติมันยังผิดทางผิดผิดวิธี ละหมาดเกียร์มุลเลลมาเหมือนในเดอรรัมมารดมาละหมาดเกียร์มุลเลลแล้วก็ไม่ทันละหมาดอิชามาทุกวันแบบเนี้ยมาละหมาดเกียร์ตราวเวแล้วก็ไม่ทันละหมาดอิชานี่แสดงเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจบทบัญญัติของศาสนาใส่ใจในเรื่องสุนนะแล้วก็ฟังดูนี่ไม่มีกวาไม่ให้ความสําคัญแสดงว่าไม่เข้าใจหลักการศาสนาพระเจ้าไม่ต้องการแบบนี้อ เหมือนคนนีมาเนี่ยละหมาดดุริย่ไม่ละหมาดทำไมอ่ะเจะละหมาดซุนหน้ากับพ่อละพระเจ้าไม่ต้องการแบบนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ต้องการที่เราจะทำอิบาดาหรือดํารงศาสนาทั้งหมดเลยโดยไม่มีหัวใจไม่มีมันสมองเราจะเข้าใจว่าตกวนนี่อยู่ที่หัวใจหรืออยู่ที่สมองสมองอยู่ที่กะโหลกนี้ อยู่ที่ศีรษะหรืออยู่ที่หัวใจก็คืออยู่อยู่ตรงเนี้อยู่ที่สมองอกเนี้ยเราจะเข้าใจยังไงก็ได้นนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นว่าทํายังไงเ่ยให้เกิดปัญญาให้เกิดตะวา่าพร้อมๆกันนะ่ะนะเพรา ะ, ะเพราะทุกข้อาย่าที่เกี่ยวกับเรื่องสลับเปลี่ยนสับเปลี่ยนของดวงของกลางวันและกลางคืนเนี่ยเชิญชวนให้คนไม่ใช้สมองคิด และเป็นผลลัพธ์สำหรับคนที่มีความมีอิทธิพลต่อลกสวุวรรณนาตัแต่ในขณะเดียวกันการสับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนจะทำให้เราคิดใช่ไหพิจารณาใช่ไมไอพิจารณานี่นนะมันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นคลื่นไฟฟ้าหรือการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายของเรา ตะกวานี่ยม่ใชว่าเลือดมันหมุนเวียนในหัวใจปัญญานี่ก็ไม่ใชหมายถึงว่าขึ้นสมองนี่มันมีขึ้นแล้ววูนั่นน่นนั่นน่นคือปัญญาไม่ใช่กุษฎานก็ยังบอกด้วยกระบวนการของการมีปัญญาการมีตะกวาเนี่ยในอายะนเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่สำนวนแต่ความหมายเหมือนกันอัลลอฮฺจะละล่ยลัวน نهارا خلفاً อัลลอฮฺทำให้กางว่าละกันคืนเนี่ย ขิลฟาดันสัเปียนเหมือนกันเลยขิลฟากระบะอิคลิลาฟดีคล้ายๆกันมันรากศัท์เดียวกันในสุรัตอัลฟุรกอันวะฮุอัลละดพระองค์ทรงให้กลางวันและกลางคืนยาละไลละวรรนาระกลางคืนและกลางวันขิลฟาดัสเปียนกันลิมันสําหรับการาดผู้ที่ประสงค์ การย้อนคหรือการดูคุณซ้ำมันูดีต้องการรัลึกถึง a l ล a หรือขอบคุณพระองค์แสดงว่ากระบวนการที่จะให้เราได้มีปัญญาและก็มีตะวานนี่นะมันต้องผ่านกุลลวิธีที่ Allah سبحانه าละก็อัลลก็คือ ذ ิ ر Allah และนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาเมื่อเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ يا الله سعى وعي ني ني سورة ع ل ى عمران د ب و تغرني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات اللي أول الألباب سبين ن ق ا ونقول نبن بن آيات بن سنيان سمر بن ياشون الذين خيّ بن ياشون ي خ ي يذكرون الله قياما وقعودا رملك ت الله تا ين تا نع وعلىجنوبهم แทนน์และ تفكرونفيخلق السماءات و ا า أ ر ض لرملك คิดพิจารณาในสิ่งที่อัลลสร้างในชั้นฟ้าและบนดินรับบานาโดยที่เขากล่าวว่ามาคลักต้าฮะดะบอกว่าโอ่พระบุญอภิบาลของเราพระองค์มิได้สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเล่นๆคือมองแล้ว ใช้ปัญญาคิดพอมันเกิดตะกวาแล้วก็เลยเปล่งวาจารบนามาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยไม่ได้สร้างเล่นๆแต่พูดคํานี้ในขณะที่เขากําลังทําหน้าที่รําลึกถึงอัลลอฮ์ทีมันอาราดไอ้ที่จกะรแล้วเขาพูดอัลลอฮอาราดชูกร์ะแล้วก็กรูนอัลลอฮกี่ยามันรําลึกถึงอัลละฮ์ทุกท่านี่ ถ้ายืนถ้านั่งถ้านอนสรุปสรุปว่ามันหนีไม่พ้นนะถ้าความวิง่งเหขื่อของเรา سبحانه และก็ดาล่ะเป็นปรากฏการณ์ที่จะดึงดูดเชิญชวนให้เราได้พินิษฐ์พิจารณาความสัจจริงของเรา سبحانه และก็ดาล่ะสัจธรรมของเรา سبحانه และก็ดาล ผลลัพธ์ที่มันต้องปรากฏกับตัวเราผลลัพธ์ที่ต้องปรากฏกับตัวเราเราจะต้องกลายเป็นคนที่รับมกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายข้สรุปคนที่เขาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วโอ้อัลลอฮ์สร้างแต่ชีวิตของเขานี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งออเพ ทั้งวันนี่นั่งเรียนดาศาสตร์เคมีคณิตศาสตร์แล้วก็ได้พิสูจน์ความจริงหรอกเนาะทั้งวันน่ะอยู่ในแ l a อยู่ในแล้วทั้งคืนน่ะไปพับไปกินเหล้าหน่อยแสดงว่า ม, มัน ม, มีผลลัพธ์เนี่ยของความรู้ที่ได้มาจากสิ่งวัตแล้วทั้งวันที่มันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยที่พระเจ้าต้องการจากเราที่ได้ส่งสัญญาณอาญาเนี่ย สิ่งวัตถรอบรืงหลายเนี่ยให้เราได้พิจารณาไม่เกิดประโยชน์กับเราเช่นเดียวกันกุรอานเนี่ยฮะดีสเนี่ยไม่ได้มีว้ยเรียนรู้แบบนี้เงเดียวยมามานั่งเรียนรู้กันสนุกกันแล้วก็จบแค่นี้เราต้องกลับไปตรวจสอบในชีวิตของเรา พอเรียนรู้มาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในการทิ้งบาปในการเลิกความผิดความชั่วในการทำความดีแต่ที่สำคัญเนี่ยในการที่จะทำให้เราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะ تعالى ตลอดเวลาคนที่ได้เห็นความมี่งแห่ของอัลลอ์เนี่ยมากที่สุดเด่นชัดที่สุดเนี่ยคือท่านนบี Muhammad ﷺ ทำไมอ่ะนี่แค่เราขึ้นเครื่องบินแล้วก็เห็นเมฆเห็นฟ้าเห็นอะไรยิงย่งใหญ่นี่แค่นี้เราก็อ้เราก็่าโชคดีได้เห็นอะไรที่ปู่ย่าตายายเราคนบนรรพบุรุษนี่เขาไม่เคยเห็นเราเห็นความยิงย่งใหญ่เราเคยอ่านอ่านในกุศลเนี่ยบรรพบุรุษนีนอ่านในกุานเนี่ ย, นน ย, ย, นนนนยว่าเมฆเมฆที่มันลอยนี่เสมือนภูเขา คนตะก่อนนู้นก็บอกเออก็เห็นกันในบางทีเนี่ยไม่ก้อนใหญ่นี่เหมือนภูเ ข, ขาแต่เห็นไม่ชัดเท่ากับเห็นบนเครื่องเห็นป็นภูเ ข, ขาจริงๆแต่เราคงไม่ไม่เคยไม่เคยไปไปเที่ยวโลกจักรวาลเหมือนท่านนาบีนบีจากมักกะไปมัสยิดอักซอร์อย์นี่ในคืนเดียวนะแล้วจากมัสยิดอักซอร์ไปยุย ไปยังอาราชของัลลสุบฮานาวดานในคืนเดียวนะเห็นอะไรกันบีเห็นอะไรมาอู้เห็นอะไรมาเพียงพอแล้วสําหรับท่านนบีที่เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนรกก็เห็นมาแล้วสวรรค์ก็เห็นมาแล้วครับบรรดามอะไรก็บางอย่างนี่นบีเห็นแล้วก็ไม่อนุญาตให้มาเล่ากับเราเล่าถึงอะไรก็ท่านหนึ่งที่แบกบัลลังท่านหนึ่งเล่าถึง ท่านหนึ่งท่านเดียวนะว่าระหว่างตู้หูเขาเนี่ยระหว่างหูเขาเนี่ยถึงบ่าห้าร้อยปีเขาแล้วท่านหนึ่อกว่าที่อนุญาตให้เล่าก็คือแค่นี้ไอ้เรื่องอื่นนี่ยังไม่ได้ถูกอนุญาตแสดงว่านาบีเห็นมาด้วยเห็นมาแล้วแต่ไม่อนุญาตให้เล่าแสดงว่านาบีมีศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ไงที่อัลลอฮฺสุฮาหนะ์นวูร์ดาละสร้างไว้ไม่ไม่เหมือนพวกเรา แต่ผลลัพธ์นี่เราเห็นดิหน้าชอบว่าการะรษูอุลล่าฮิลลลลอฮิวซัลลัมไม่จะคุรุลล่ฮิในทุกๆอภัยนนบีนี่ยระมลึกถึงอัลลอฮทุกกรณียกิดนอนกระมลึกถึงอัลลอฮยืนกระมลึกถึงอัลลอฮนังกระมลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮตลอดเวลานี่นี่ยคผลลัพธ์ละกระมลึกถึงอัลลอฮนี่สุดท้านี่ยตก่นะความเข้าใจ รำลึกถึงอัลลอฮ์ีไมที่หมายถึงว่าเราจะต้องปรากฏกับตัวเองเนี่ยมีลูกต๋าเบี้ยนี่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เสมอไปไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้เราเรำลึกถึงอัลลอ์ฝีปากนี่รำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดนะทำได้อุลามาหลายท่านเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันไม่เสมอไป การรำลึกถึงเราสภ า, าะวะธรรมดาละอุลามาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องขัดเกลานีเขาบอกว่าการรำลึกถึงอัเลาเนี่ยที่ลึกซึุงที่สุดเนี่อดีกรูบิลฮัลรำลึกถึงอเลาด้วยสภาพไม่ใช่ลิ้นอย่างเดียวคือสภาพชีวิตของเราทั้งหมดหัวใจก็รำลึกสายตาการะลำลึกทุกส่วนของร่างกายของรำลึก เวลาไปห้างไปห้างเนี่ยส่วนที่เราจะล้ำลึกนี่เนคะือแค่จับสินค้าจะี่ดูฮาราณฮาราณมฮารนี่ร้ำลึกนละ้ำลึ ก, กอเพราะเราเราคำนึงว่าสิ่งที่มันจะเข้าปากท้องนี่มันต้องผ่านบทบัญญัติที่อนุมัตินี่ก็ร้ำลึกอ่ะพอไปซื้อกางเกงไปซื้อเสื้อนี่นะไอคนนี้ไม่ล้ำลึกเนี่อันนี้เหมือนเหมือนคิดว่าปะเหมือนปะเหมือนคลิปปะกางเกงดูกางเกง อันนี้ใต้สะดือหรือบนสะดือเหมือนปะอันนี้เขาไม่จะรำลึกแต่คนนี้ไปซื้อเสื้อผ้านี่แล้วก็รำลึกเอ๊ถูกต้องปะอันนี้บาปป่ะอันนี้ผิดไหมอันนี้ตรงกับหลักการศาสนาไหม น, นี่รำลึกซื้อเสื้อผ้านี่กรำลึกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบเลยก็เป็นแบบนี้กรำลึกก็มันก็เป็นแบบนี้ดูหนังสือ เรกำลังดูหนังสือนี่หนังสือทิศศาสตร์จิตวิทยาอะไรมันไม่ใช่หนังสือศาสนาแต่เราสามารถทําให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นการราลึกถึงองราารถบาลได้ด้วยการตั้งคําถามทุกครั้งเนี่ยที่เราอ่านหนังสือศาสตร์ต่างๆในโลกนี้อ่านหนังสือดูหนังสือพิมพ์เล่มอะไรก็ตามอ่านทําไมเรียนรู้ทําไมถ้าเรามีคําตอบนะ มันก็คือสมการชีวิตอ๋อเรียนรู้จิตวิทยาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรียนรู้เคมีเรียนรู้ห lab ล a บ, ลบแพทย์นู่นนี่นั่ น, นที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำมาใช้ในการให้ศาสนาของเรานีเข้มแข็งศา ส, สนาของพี่น้องนี่เข้มแข็งศา ส, สนาในสังคมนี่เข้มแข็งในรูปแบบหนึ่งรูปรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ถ้าเราได้มีเหตุผลมีเจตนาแบบนี้นะครับการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือศาสนาการเรียนรู้ทุกษาุทุกความรู้ทุกประสบการณ์เรียนทํากับข้าวทำเค้กทำอะไรก็ตามแต่นั้นเป็นเหตุผลที่จะนามาสึ่งการพักดีต่อรสหวานโอชามันก็เป็นอิบาดะมันเป็นตักว่าผู้หญิงสารภบท่านหนึ่ง ทำกับข้าวให้สามีพอสามีกลับมาแล้วทำา ม, มากินทั้งวันนะครับมากินมากินข้าวที่บ้านเขาบอกกับสามีเนี่ยคอปัจจุบันนี้ในเวลาภรรยาทำกับข้าวให้สา ม, มีอร่อยไหมอร่อยไหมเราต้องตอบว่าอะไรอร่อยครับคี่เ ข, ขไม่ไดีถาม เพื่อหาคำตอบที่มันเป็นความจริงกันเราก็เหมือนกันและเราก็เหมือนกันผู้ชายนี่ก็เหมือนแหละแต่เราอีกอย่างหนึ่งกันผู้หญิงชาวซาลฟนี่ทานทานเจ้าทานเจ้ากับข้าวมื้อนี้สุขด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุวากำลังปุงกับข้าวทำกับข้าวอยู่ ซิกุลล้อไปเรื่อยๆคือหน้าที่ของเขาที่จะต้องทําอะไรให้สามีเนี่ยมันก็เป็นด้บาดาอยู่แล้วแอนนบีบอกกับบรรดาผู้หญิงที่มาเรียนรู้กับท่านนาบีว่าเขาเขาเขามาบอกกับนบีบอกว่าผู้ชายนี่ได้เปรียบ เขาก็ออกไปจิฮ่าเขาก็ออกไปทําหน้าที่ในสังคมดังนั้นไอเราเรอยู่กับบ้านไม่ได้ทาอะไรนบีบอกขุสนุตบะอุลีฮ์ได้นลีเาเจ้าเนยอยดีลุไดลิกะคุลล์คือนบีพวกเธอนี่ทําหน้าที่ในบ้านของเธอกับสามีของเธอนี่นะเท่ากับสิ่งที่พวกผู้ชายนี่ทํากันทั้งหมดเท่ากับจิฮ่าเท่ากับที่เขาไปทํางานสังคมในสาธารณะทั้งหมด ทำหน้าที่ในบ้านให้ดีที่สุดคือเราเรายอมรับว่าเออทำหน้าที่ให้ถูกทีใ่ให้พยาบาลไปอยู่ป้อมตํารวจนี่แล้วให้ให้ตารวจนี่ไปอยู่โรงพยาบาลนี่บ้านเมืองพังั้มใช่ไหมเรายอมรับว่าไอ้หน้าที่นี่มันต้องถูกที่ด้วยทุกคนนี่ต้องถูกที่ด้วย เหการนี้บอกว่าผูา้หญิงนี่อยู่ในบ้า น, ม, นมันคือหน้าที่ที่อัลสวลานอดาได้ตั้งโครงสร้างไว้แล้วและเป็นหน้าที่ดูแล้วนี่นะผู้ชายนี่ทําไม่เป็นผู้ชายนี่ทําไม่เป็นผู้ชายให้นมลูกเป็นไหมล้างอึเป็นให้ลูกเป็นเหมือนกันแนตะ่ทําไม่ชอบ ผู้ชายนีลางเอ่ยลูกนี่เป็นแต่ไม่ชอบแต่แม่เนี่ยเขาทําด้วยด้วยความรักไงเพราะมนันธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในตัวผู้หญิงผู้ชายนี่มีมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ออกแบบไว้ดีไซน์ไว้แล้วเหมนที่เราก็เราเรียนเรียนพยาบาลเป็นปีจะได้ไป ไปเข้าทำงานที่โรงพยาบาลไม่ไดเรียนพยาบาลจะได้ไปจัดจราจรดูแลเรื่องจราจรเหมือนกันแหละผู้สัทธานี่เราก็ได้กำหนดนห้ก็มีมีพื้นที่ในการที่จะตรงรักพักดีต่อเราสภารว่าการงานของเรานี่มีความหลากหลายก็จริง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าเรารู้ว่าเออมันมันเข้ากับมันเข้าหาหลักการโดยปริยนิทากับข้าวแล้วก็ซิกุลลอฮ์ทำกับข้าวแล้วก็ซิกุลลอฮ์นี่ละก็จะเสนอใหนี่รวมลำนองระหว่างพระยาสัมีมีรำลึกถึงอัลลอฮ์มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันมันสะมันลึกซึ้งขนาดไหนอะแ้ว สามารถทำได้ในบุญศาลาัลลอฮฺและในนบีบอกว่าฟีบุญโดยอัจฮัดิกุมซดากะการรวมเลบนอนระหว่างพระยะสามีนินซดากะเป็นการทำบุญเป็นซดากะสามารถได้บอกว่าแทนคือได้ะสมกับความใคร่มันจะเป็นซดากะได้ไงอ่ะถามนบีตรงๆนบีก็บอกว่า أ ف ر د ه م ن و ضعاف الحرام أكان عليه وزر ت ق م خيئيا و ََّ ع َ ل َِ الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ تَكْوَمْ خَيْنِيا أ و َ ع ْ ه َ ا َ ا ل ْ ح َ ل ا ل ل َ ه ب ه ا ج ْ ر َ ن ْ د ِ ي ََ ن ْ تَكْوَمْ خَيْنِيَةَ قَالَ و َ ا ل ل ََّ إِنَّ ا ل َ ر َ ا م َ ا ل ْ ح َ ل َ ا ل َ هُوَ ا َ ا م َ ا َْ و َََََْْْ คือไมอ่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมันไรศา ส, สนาร่วมหลับนอนกับระหว่างสามีภรรยานี่มันคืองานศาสนาอย่างนี้มันคืออิบาได้อย่างหนึ่งถ้าเยาวชนของเรานี่เข้าใจแบบนั้นน่นก็คงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปหาคู่ครองตามห้างตามร้านกาแฟตามอะไรเพราะไม่ใช่หรอกการหาคู่ครองแบบนี้เนี่ยมันจะไม่บรรลุผลเราต้องการคู่ครองที่จะ เข้าใจหลักการศาสขาเข้าหน้าที่ในการทําหน้าที่ผลลัพธ์ของของหลักการศาสนาที่มันจะมาปรากฏในชีวิตในการทําหน้าที่มากกว่าเรื่อยาที่เราไม่จะต้องสาหรับคนที่อยากจะยำเลรงอัลลอฮฺซุบฮานะอวดะฮ์ละนั้นเขาไม่ต้องมี อะไรยิ่งใหญ่ที่จะต้องมาพิสูจน์ถึงความมิเงี่ของเรา سبحانه และมากกว่าสิ่งที่เราได้ให้มามักุตตูบีได้บอกว่ามีรายงานว่าชาวมักกะเนี่ยขอให้ท่านนบีได้แสดงอภินิหารเขาจะได้เชื่อว่านบีท่านเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แสดงอภินิหารหน่อยอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายานี้ลงมา บอกว่เพียงพอแล้วแค่สับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนนี่นะเพียงพอแล้วเป็นสัญญาณเป็นอภิยนิหารเป็นความยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ต้องการเยี่มเกรียงอัลลอฮฺสุบฮานะแล้วคนนี้ไม่ต้องการเยี่มเกรงอัลลอฮฺสุบฮานอูตาลละเขาจะทําอะไรก็ตามจะศึกษาอย่างไงก็ตามเขาก็ไม่บรรลุไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนใช่สําหรับบางคนอัลลอฮฺอาจจะให้ความรู้พิเศษ จะได้ศรัทาความรู้ที่ที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ง่ายๆเ่นชาวฝรั่งที่เขาเล่าอ่ะนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนคนไม่เชื่อในพระเจา้านแล้วก็เข า, าเป็นคนรวยเนะี่เป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนรวยมากแต่เขาก็เรียนรู้ศาสนาแต่ละศาสนานี่ไม่ไม่ ไม่กิดน่ะแต่เหมือนอะไรลึกๆในหัวเจ้ากนิวต้อมีพระเจ้าเขาก็พยายามหาสัจธรรมด้วยการอ่านอ่านศึกษาแต่ไม่ไม่พบจนสุดท้ายนี่ก็เราก็รู้ฝรั่งนี่มันก็มีมันมีฟิวขาดสักนิดนึงนะฟิวขาดเราฉันจะแขวนคอตายนี่ ฉันจะฆ่าตัวตายแล้วจะเรียกพระเจ้าถ้าพระเจ้านี่ไม่ช่วยฉันน่ะนะแสดงว่าไม่มีพระเจ้าเรเคยเล่าเรื่องนี้มาอะไรครั้งแลแต่เล่านี่พอจะได้เห็นว่าเออบางอย่างเนี่ยมันอาจจะให้น่ะบางคนแขวนข้อแขวนคอแล้วเนี่ยแล้วก็จะฆ่าตัวตายเลวนะนี่ไงจะนี่จะจะฆ่าตัวตายเลวนะครับ ถ้าพระเจ้าของโลกนี้นี่ไม่ช่วยฉันนะนะก็ไม่แสดงว่าไม่มีพระเจ้าถ้ากำลังในแข้งคอจะจะจะห้อยลงแล้วนะก็มีปักขอบประตูก็ก็กก็เปิดประตูปรากฏว่ามุสลิมเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะมุสลิมขอโทษครับอ๋อนี่ไม่ใช่บ้านอ๋อไม่ใช่บ้านเพืขอโทษขอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขอผิด มีมาในช่วงที่เขากำลังเขากำลังท้า ท, า, ทายพระเจ้าเราจะมีจริงอะนะแสดงตัวหน่อยมาก็ด้วยเป็นพี่น้องดาวะเขาไปดาวะแล้วก็เขาบอกว่านี่มีมุสลิมอยู่อยู่ตึกนี้เขาไปเคาประตูผิดแต่สําหรับตักดีเรมันม่ผิดไงไม่ผิดไม่ผิดพวกคุณ น, นี่เป็นใครบอกเราเป็นมุสลิมอะไรมุสลิมมุสลิม เชื่อในพระเจาอะไรคือพระเจ้ า, ล า, จาแลียก็รับอิสลามอัลลอฮจะให้บางคนอัตย์อัลลอฮจะเมตตาบางคนนั่นไยซึ่งเราก็อาจจะมีโอกาสในชีวิตนี้ที่อาจจะได้รับความเมตตาบางอย่างนะที่เป็นกําลังใจแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าอยากจะรักษามารยาทกับอัลลอฮเนี่ย เราอย่าเรียกร้องอะไรจากอัลลอฮ์แบบนี้บุรุษที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ถักจากบรรดาอบีลและรอซูลนี่ก็คือสฮะบะฮ์สาวกนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาฮฺเพราะเป็นเป็นคนที่ไม่เทียบกับบรรดาประชาชาติทั้งหลายนะไม่ได้เรียกร้องอะไรกับท่านเลยศรัทธาเนี่ยพอฟังกูอ่านหนึ่งเดียวและกุูอ่านนี่คืออภินิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับ สำหรับสัตว์ชนถ้ามีกุรอ่านอยู่แล้วอะนั ala, ่นนี่ยึดมั ay, ่นในกุรอ่านเนี่ยเป็นอภินิหารเป็นส oh, ิ่งท ah e, ี่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอัลลอฮฺสุภาณอวตาล่ะให้ดีที่สุดและเข้าใจให้มากที่สุดแลาจะมีความเมียมเกรงให้ดีที่สุดมีตะกราให้มากที่สุดด้วยกุรอ่านนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องอะไรยิ่ไม่ต้องว่าอัลลอฮฺทำไมไม่ฉันเห็นอะไรยิ่งใหญ่ แต่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นปรากฏการณ์สำหรับเหมือนในดเดรรอมมอดนเวลาเราเราละหมาดเราขยันทำไมบาดาอะไรบางอย่างนการขยันทำไมบาดาเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างอย่างเช่นเลระตุลกอดเดดิ เลยและสุลขศเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องเห็นฝันเห็นอะไรสักอย่างหนึงอเห็นต้นไม้กำลังก้าวไหวกำลังอะไรที่เขาไม่จำเป็นเพียงเราทำหน้าที่ทุกคืนของสุลขศเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณว่าเราทุ่มรักภักดีต่ออัลลอฮฺสุลฮานุฮฺวาดาละถูกที่ทุกทางแล้วบรรดานับีุลเลาะห์สูลทั้งหลายเนี่ยจะรักษามารยาทนี้ ว่าจะไม่จะไม่เป็นผู้ริเริ่มขอสัญญาณจากอัลลอฮฺสุบฮานาวาฮฺและยืนยันไม่ต้องเรียกรอ้องอภินิหารหมอดิซาตรืออินไม่ได้เรียกร้องผู้สถาก็เช่นเดียวกันและเรามีความเพียงพอในในสิ่งทดียวเราสร้างมาอย่างที่บอกกับพี่น้อง สำหรับคนที่จะต้องออกไปดูท้องฟ้าอาทิตย์ที่แล้วอนะพะวะเรามองบ้างนะท้องฟ้ามองบ้างแต่สําหรับคนที่ออกไปดูท้องฟ้าไปนะก็กลางวันและกลางคืนอย่างเงี้ยเห็นกลางวันเลย แ, แสงมาแล้วนะกลางคืนนะมืดมาแล้วนะแค่เนี้ยนะยังเป็นอาญาตเป็นสัญญาณเป็นอภิญญาณเป็นมอดิสาต เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรพินิดพิจรารณาตลอดเวลาอวอาราดไอย์ตการอาอาราดชกรสำหรับคนที่ต้องการรำลึกถึงอ AH. ัลลอฮฺแสดงว่าการสับเปลี่ยนกลางวันและกลางคืนแต่ไม่รำลึกถึงอ AH. ัลลอฮซุบฮานะฮุวดาลาก็แสดงว่าเราไม่ได้ประโยชน์ผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ปรากฏกับตัวเรานะครับ ทูฟะเบญจานีนะครับว่าซุลลลอฮอแลานบีนรา m u h ั m m a d ว่าและอาลเลาะห์ีและ صحبه ีวะสัลลัมช่วงนี้เรจะมีคิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบพายน้ำท่วมใครที่ว่างกันนะแต่ว่างนี่หมายถึงว่าว่างเลยนะว่างว่างแบบไม่มีภาระอะไรเลยนะก็ สมัครกับหน่วยบัตรี่พอเดี๋ยวมีหลายพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักแล้วก็เราอยากจะจัดถ้าใครที่สะดวกแล้วก็ว่างนะก็มาสมัครกับบังหมัดได้นะครับจะได้แล้วก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มลายของของทีมที่ไปช่วยน้ำท่วมถ้าใครที่อยากจะอาสาทํางานในเรื่องนี้นะครับ ก็สมัรเลยยพี่น้องมีคำถามไหมครับใช่ครับสหรับของศรัทธาโดยทั่ว่วไปครับขั้นต่ำสุดองารนี้ตว่าควรเป็นยังไงครับควรแอถึงลักษณะยังไงของฟรดูรักษาฟรดูแล้วก็ไม่ทำบาปใหญ่ลิมิตแล้วก็ ด่าลิมุลีนัอันนี้ก็คือรักษาฟรดูเปเปบ้างงานไม่ได้มาไม่ทันไม่ทันฟรดูแต่ก็ไม่ทิ้งเลยอันนี้รักษาฟรดูก็ยังเปเปๆนะสุวนนั้นนี่ไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่ไม่สนใจอยู่แล้วบาปเล็กนี่อันนี้ก็มีอยู่แล้วแต่บาปใหญ่นี่เขาจะระวังไอ้นี้ย่าลิมุลีนั้นซก็คือคนคนที่ทําโดยแย่ที่สุด่ะอันนี้เนี่ย เพราะเพราะแต่ว่าเขาไม่มีตะ ก, กวัวเลยเนี่ยเขาจะไม่รักษาสองสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ปานกลางอะนะก็คือรักษาฟารดูให้ดีรักษาสุนนะให้ดีไม่ทำบาปใหญ่เลยและไม่ตั้งใจทำบาปเล็กอันนี้ปานกลางที่ขนาดนี้ในปานกลางนะแต่ในสังคมถ้าเราเจอคนแบบนี้โอ้โหนี่เหมือนบรรดานับีุลซล อันนี้ฟันอันนี้เฉยๆธรรมาดาสูงๆเนี่ยซาบิคุนบิลไคลรอดเนี่ยอันนี้พวกนี้เขาแข่งขันในการทำความดีทุกชนิดเลยความดีอะไรทุกสิเขาต้องคือเขาไม่ได้ทำเขาเขาต้องอยู่แนวหน้าหมายนึงว่าทำให้ดีที่สุดและทำก่อนคนอื่นเนี่ยอินนาฮุการูซาอูนะเนี่ บ, นนบรรดารูละเบนี้ือซาเรอูนะิลไครอะดูนนราบันวรา ใครเกี่ยงกันมันก็เป็นสับลักอมุสาบบหมายถึงว่าเป็นสาเหตุและก็ผลลัพธ์ตะวนนี่มันมาจากขเชียชยนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคนที่มีคชียเนี่ยต้องมีคนที่มีตะวัคนที่มีคเชยนี่นะต้องเป็นคนที่มีตะวัแล้วคนที่มีตะวันนี่ก็ต้องมีคเชยอย่างแน่นอนแต่ชยเนี่ยชยเนี่ยมันจะเป็น มันเป็นสภาพที่ค่อนข้างเฉพาะหน่อยตะกวนี่คือภาพรวมภาพหลักตะกวนยอมแต่คอสเซียนี่มันจะเป็นฟ e e l i n g เฉพาะอ่าก็คือความความกลัวเกรงกลัวหรไม่กล้าทําอะไรนี่เพราะกลัวหรกลัวการลงโทษหรอกหรอแต่ตะกวนี่ที่เขาบอกว่าที่เขาอธิบายนเรื่องนี้อะหมตะกวานี่ไม่ ให้มีสิ่งที่ห่างจากการลงโทษของ Allah จั่งอันนี้คือเนียมแต่ตะก้านี่โดยรวมมานะมันเป็นสภาพรวมของคนที่ของคนที่รักษารักษาหลักการศาสนาทุกกรณีฉะนั้นคนที่หัวเราะคนที่เล่นบอลเขาอาจจะมีตะก้าแต่ถ้าเราว่าคอเียนี่ไอ้คนคนที่เล่นบอลมีคอเสียไหม มันอาจจะไม่เข้ากันนี่อกว่าคอเชียนี่มันเป็นฟ e e l i n g เฉพาะหน่อยแต่ตะวันนี่มันเป็นภาพรวมมากกว่าประมาณนี้ سبحانك اللهم و, ب, من من ت ت و من من ب ح و و م ب د